สังคาทิเศษสิกขาบทที่หสองร้อยสิบเอ็ดถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังคาทิเศษแก่ภิกษุณีผู้กำหนัดรับของเคี้ยวหรือของฉันจากมือชายผู้กำหนัดด้วยมือของตนแล้วฉันณที่ไหน ตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีสุนทรีนันทาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีสุนทรีนันทากำหนดรับอามิ t จากมือชายผู้กำหนดในสังฆาทิเศษสิกขาบทที่หนั้นมีหนึ่งพระบัญญัต บรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานเป็นปฐมปาราชิกสมุดฐาน